ปฏิบัติสมาธิได้ประโยชน์ทั้งกายและใจค่อยปฏิบัติค่อยภาคเพียนไปสติตัวเดียวเท่านั้นถ้าจะกำหนดลมหายใจก็ดูลมหายใจเฉยอย่าไปนึกว่าลมหายใจสั้นยาวหยาบละเอียดจิตเขาเป็นผู้รู้อะไรเป็นอะไรเขารู้ของเขาเองปฏิบัติด้วยการฝึกสติอย่างที่ว่านี่ ฝึกไปฝึกไปฝึกไปในที่สุดเราจะเกิดสงสัยตัวเองพอนอนตั้งแต่หัวข้ามจนสว่างทําไมน้อนอนไม่หลับพอหลับแล้วจิตเข้าสมาธิมันก็สว่างแจ่มตลอดคืนเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับแต่แท้ที่จริงจิตเข้าสมาธิทั้งๆที่ก็รู้สึกว่านอนไม่หลับแต่เวลาตื่นขึ้นไม่มีอ่อนเพลีย จิตอยู่ในสมาธิเนี่ยเลือดลมในกายมันหมุนเวียนได้คล่องตัวทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพียงแต่ทำจิตให้ว่างด้วยความตั้งใจเพียงนิดเดียวมันจะมีสารตัวหนึ่งจากต่อมใต้สมองกระจายออกมาทํางานทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิได้ประโยชน์ทั้งทางกายและทางจิตอีกอย่างหนึ่ง คนเราเนี่ยมีกายกับใจกายใจของเรามีฤทธิ์มีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันแต่มันฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกเรามาปฏิบัติสมาธิเป็นการกระตุ้นเตือนปลุกจิตใต้สํานึกให้ตื่นขึ้นมาเมื่อจิตเข้าสมาธิแล้วจิตนิ่งก็สว่างรู้ตื่นเบิกบานนั่นแหละจิตใต้สํานึกมันตื่นขึ้นมาแล้วแล้วเราฝึกจนคล่องชำนิชำนาญเราจะน้อมไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็ได้